ตัวตันหาที่บวกเจตนากรรมในดีดนั้นเป็นนานาคณีกกรรมวิปัจที่เป็นกรรมที่ให้ผลต่างขณะเขาให้ผลในประวัติการให้ผลในประวัติการไปว่าให้เวทนาทางจักขุทวานที่เป็นจักขุวิ ญ, ญญาณมีเวทนาเกิดร่วมแล้วก็สัมปติชนะสันติแล้วนะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายอบัญญัต์ก็ดีเป็นนั่นก็คือแต่เขาให้เวขาวเวทนานะเย้าให้เวขาวเวทนา แต่เขาจะไปให้โสมนัสเวทนาหรืออุเบกขาวเวทนาในชั้นหลังจากชวนะดับลงคือในชั้นของตถารมณะและในชั้นของผวงถ้าในชั้นของปฏิสนธิการเนี่ยเขาให้ทั้งโสมนัสก็ได้ให้ทั้งอุเบกขาก็ได้ใช่ไหมถ้าเขาให้โสมนัสเวทนาเนี่ยก็เริ่มยิ้มได้บ้างเพราะปฏิสนธิเราจะต้องเป็นมหากรุศลแน่นอนใช่ไม่ใช่ แต่ถ้าเข้าให้อุเบกขาเวทนาแปลว่าเราได้ปฏิสนธิสองอุเบกขาสันติรนะอกุศลนำปฏิสนธิในบโยภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือให้อเบขาสันติะนตะอกุศลเป็นมนุษย์หรือเทวดาบ้าใบบ่บอนหนกุกน่ากลัวฉะนั้น <c oughs> ตั้หาบวกกรรมถ้าบวกกุศลกรรมนะหรือเป็นกุศลกรรมอ่อนแอ น, นี่มีวิชาปกปิด ให้เวทนาในปฏิสนธิการนะเจ้าบาคุณเอ้ยหนักหรัวมากขอร้องกันเนอะท่านทั้งหลายจะให้ตอนในประวัติการก็ให้เถอแต่อย่าให้ในปฏิสนธิการแกข้าพเจ้าเลยไปแก้บนไปไปที่ไหนดีไปหาหลมพ่อสซอนเพราะทำไว้แล้วว่าไง กรรมตัวนี้ทําไว้แล้วจะทํำยังไงดีไอปฏิสันธีตัวเนี้ฮะทำเรียบร้อยไว้แล้วนะปฏิสันธีที่เกิดร่วมกันก็นกอุเบกขาสองดวงที่อุเบกขาสันติรณะ น, นี่นะในเหตุกับจิตเนี้ยทำไว้หลายโกรธล้านขณะรอเวลาที่โรงงานอันนี้จะผลิตให้อยู่ ฉะนั้นในมรณาสถานการนี่เนะี่ยเขาจะมานําเสนอตอนนั้นแหละตอนที่ใกล้จะตายลเขาจะมาถามเรากับซิบเราชอบไหมชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมเขาบอกว่าบางทีมีการแบบไม่ชอบก็เขาจะให้อใช่ไหมเขาบอกไม่เป็นไรถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณอยู่ไป น, นานๆคุณก็ชินเองก็ใช่ไหม ถ้าคุณเป็นบ้านานๆนี่ น, น, เนนะเกิดคนเป็นบ้าใบายบอดหนวง น, นานๆเดี๋ยวคุณก็ชินอย่านั้นถ้าให้ในปฏิสนธิการแล้วน่ากลัวมากถ้าในประวัติการยังพอจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างเห็นไหยังพอจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างอนั้นถ้าให้ในปฏิสนธิการเป็นโสมนานั้นก็ค่อยยิม้ยมแย้มได้นิดยิ้นิดนึงนะเป็นมนุษย์ถ้าเป็นทวิเหตุก็ยังโอ้โหนะเป็นทวิเหตุประเภทที่ โอมะโถมกะอามากะนี่ยุ่อ่อนสุดๆเลยเนี่ยเนี่ยประเทศที่ไหนอาทิตย์บดีไม่มีสักตัวเลย อ, อ่อนแอะมากแล้วแต่จะเหตุการณ์จะพาไปนะใครพาไปไหนไปหมดไม่ไปอยู่อย่างเดียวคือวัดนั่งนั้นไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยนั้นตรงนี้ก็คือว่าให้เห็นไงให้เห็นกรรมให้เห็นกรรมที่เป็นไปนะให้เห็นกรรมที่เป็นไป นี่กรรมกรรมที่เป็นไปเนี่ยในขณะที่ปฏิสนธิการและในประวัติการเป็นไปเป็นต้นเหล่านี่ยนะก็จะได้เห็นเวทนาฉะนั้นเวทนาที่เป็นไปในปฏิสนธิการและในประวัติการใจจาานจักรวิญญาณสัมปติสนาสันติรณะนะนี้แปลว่าในปรวัติการเหมือนกันแต่เป็นเวขาเวทนาเนาะถ้าโสมนัสเวทนาในปฏิสนธิได้เวขาก็ได้แต่โทมนานัสไม่ให้ถ้าจะระดับโทมนัสนี้ก็ให้ในชวนะ แต่ไม่ได้ให้โดยฐานะเป็นผลให้โดยฐานะเป็นอุปนิสัยปจยนะัจจัยนะฉะนั้นอุปนิสัยปัจจัยของสัตว์โลกจริงต่างกันเนาะบางคนโกรธง่ายบางคนก็โลภง่ายมากบางคนก็หลงง่ายมากฉะนั้นตัวเวทนาเหล่านั้นก็จะไปเกิดร่วมกันกับกรรมเออพอเกิดร่วมกันกับกรรมนะในรักไหนที่เป็นตัวชาวนะเกิดร่วมกับเจตนาเลยตัวเจตนาที่ในชาวนะแล้วก็ตัวเวทนาที่เกิดในชาวนะนั้น ตัวเวทนาเป็นเวทนาขันเจตนาเป็นสังขาราขันเกิดร่วมกับวิญญาณขันแล้วก็สัญญาขันเนาะกลุ่มนามธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในชาวนา น, นั้นเน่ยฉะนั้นตัวเจตนาเป็นศาชาตากรร ม, มะปัจจัยเวทนาที่เกิดร่วมเป็นสาชาตกรรมะปัจิยุบันเห็นไหมเขาเป็นสหายกับกรรมทันทีเลยเขาเป็นสหายกับกรรมทันทีทําให้กรรมนั้นมีความแข็งแรงเข้มขน้น นี่เขาเรียกบูรุษสองหน้าเป็นอย่างเนี้ยอีกหน้านึงก็คือรับผลกรรมร้องโอดโอยนี่เนียบางทีนะแต่อีกหน้านึงก็คือเนี่ยเขาก็รับอย่างเนี้ยเขาก็ในรักนไปร่วมสนับสนุนท ำ, ท, ำ ท, ำทำเลยทำเลยเขายุส่งเลยนะให้มีกรรมมีความเข้มข้นถ้าจะกดธเขาต้องโทมนานทช่วยด้วยอย่างนี่นะเป็นโทมนานทเสวนาช่วยด้วยเมื่อสังขารละขันคือโทสาทํากิจเขาก็ทมนานทช่วยเลยเนี่นะถ้าโลภะทําเขาโสมมานทช่วยเลยเนี่ยนะ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 จึงเป็นทุกข์กษัตริย์จริงๆเป็นทั้งปัจจารลักษณะของเวทนาเนี่ยนะก็มีการเสวยลดอารมณ์เป็นลักษณะนั่แหละมีการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะแล้วก็ในกรณีแห่งการเสวยมีการกินเลยมีการเสวยรดอารมณ์ของเป็นกิจ ด, ด้วยก็แปลว่ามากกว่าสภาวะธรรมตัวอื่นมากกว่าภัสสกว่าสัญญากว่าเจตนาตัวอื่น พวกภาษาก็ดีวิญญาณก็ดีเจตนาหรือสัญญาตัวอื่นเขาก็สวยรดของอารมณ์แต่ก็ไม่ชัดเหมือนกับเวทนาตัวเวทนาเจตนาตัวอื่นสัญญาตัวอื่นตัวสภาวะธรรมอื่นท่านได้อบมาเหมือนกับพวว่อครัวไงได้ชิมนิดๆหน่อยๆไอตัวสเสวยจริงๆก็คือพระราชาเพระั้นพระราชาเหมือนกับตัวเวทนานี่ไงฉะนั้ตัวลักษณะกิจของเขาจึงบอกว่าเขาสวยเต็มๆเลยตัวเวทนานั้น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 พอเป็นไปด้วยความรุ่มหลงนะอันนั้นคือตัวตันหาแหละโสมาณเวทนาเกิดร่วมกับตันหาก็จะเป็นตัวสร้างเหตุปัจจัยความทุกข์ต่อไปนี่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเรามองอย่างงี้แล้วก็รอบรู้เห็นว่าเวทนาเป็นทุกขสัตย์ที่เวทนาที่เป็นทุกขสัตว์ น, รรนั้นนะนะทุกขสัตย์เหล่าเนี้ยเป็นทั้งปัจจาลักษณะ <c oughs> นะในปัจจาลักษณะนั้นน่ะถ้าทํายาตรปริญญาในทุกเนี้ยเราจะเห็นปัจจัยของเวทนาเมื่อกี้เชื่อมโยงปจยัจจัยเห็นแล้วคือตัวตันหายังไงคือตัวกรรมยังงงงไไคืออตววิชายนงะ อันนี้คือปัจจัยของเขาในส่วนอดีตในปัจจุบันก็คือภาษะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาที่ภาษาที่เป็นปัจจัยเก่ดเวทนานั้นเป็นไปทั้งศาชาตะเป็นไปทั้งนานาคติกะนะดังที่ได้กล่าวแล้วเป็นไปทั้งอุปนิสัยถ้าในวิธีเดียวกันนี้นะแต่ต่างขนาดเขาเรียกเป็นอุปนิสัยถ้าเกิดขึ้นติดต่ อ, อ ก, กันโดยไม่ระหว่างขั้นเป็นอนันตระอันนั้นก็ไปพิจารณาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงของปัจจัยมากมายขึ้นตามสติกําลังของปัญญา ที่เข้าใจคําสอนเนาะอันนั้นก็ไปรายละเอียดที่ยิ่งจับรายละเอียดมากก็จะเห็นความวิจิตของคําสอนมากขึ้นอันนั้นคือวิพัฒนะวิวารณวิพัฒนะวิวารณาคือตา้วิพัฒนะการจาแนกใช่ไหม